ตอนที่หนึ่ง้อยน้องชายต่างมารดาต้องกินยาไปตลอดชีวิตเลยหรือครับโจเจี้ยนเยี่ยพึมพำออกมาเบาๆราวกับต้องการจะยืนยันให้แน่ชัดใช่ต่อให้เด็กคนนี้จะได้รับการรักษาจนดีขึ้นในภายหลังแต่ก็ต้องกินยาต่อเนื่องในระยะยาวอย่างแน่นอนลูกศิษย์ของผมพูดไม่ผิดศา ส, สตราจารย์เจียงพยักหน้าเล็กน้อยก่อนจะกล่าวต่อด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยเด็กคนนี้มีร่างกายอ่อนแอ ม, มาตั้งแต่ในครันหรืออาจจะมีปัญหามาตั้งแต่ตอนตั้งท้องพวกคุณไม่ได้ไปตรวจคันตามกําหนดหรือ ตามหลักแล้วการตรวจคันควรจะตรวจพบเรื่องนี้หากรู้ตั้งแต่ตอนนั้นพวกคุณก็ไม่ควรจะเก็บเขาไว้ตรวจครับตอนสี่เดือนเคยไปตรวจคันอยู่ครั้งหนึ่งแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปตรวจอีกเลยเพราะแม่ของเขาเห็นว่าการตรวจคันสิ้นเปลืองเงินในเมื่อไม่อยากถามว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็เลยไม่ได้ไปตรวจอีกในตอนนั้นลูกกระเดือกของโจเจียนเย่ยขยับขึ้นลงอย่างยากลําบากสายไปแล้วสายไปอีกแล้วตอนนี้อำนาจการตัดสินใจอยู่ที่คุณหากคุณตั้งใจจะช่วยเด็กคนนี้พวกเราก็จะพยายามช่วยอย่างสุดความสามารถ ศาสตราจารย์เจียงกล่าวต่อแต่ถ้าคุณไม่คิดจะช่วยแล้วก็ปล่อยให้เด็กคนนี้มีชีวิตอยู่ต่อได้อีกไม่กี่วันให้เป็นไปตามยถากรรมเถอะช่วยครับเด็กที่อุตส่าห์เกิดมาได้ขนาดนี้แน่นอนว่าต้องช่วยโจวเจียนเย่รู้สึกว่านี่อาจจะเป็นนีิกรรมของเขาในเมื่อเด็กเกิดมาแล้วเขาก็ต้องชดใช้นี่ก้อนนี้เขาหลับตาลงพลางสูดหายใจเขาลึกๆรู้สึกถึงความสิ้นหวังที่ถาโถมเข้ามาผมจะเอาเด็กคนนี้คราวก่อนเขาไม่เอาเสียวหวานตอนนี้เขาก็เสียใจจนลำไส้แทบเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วเด็กคนนี้เขาต้องเอาไว้ให้ได้ ตกลงที่นี่ไม่ใช่สถานที่สำหรับตรวจโรคพรุ่งนี้เวลานี้คุณไปที่โรงพยาบาลประชาชนที่หนึ่งประจำเขตทหารไม่ต้องลงทะเบียนให้ไปหาผมได้โดยตรงเลยศาสตราจารย์เจียงสังการด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำเสี่ยวหวันเหวินโม่พรุ่งนี้พวกเธอสองคนตามฉันไปด้วยถือโอกาสไปเปิดหูเปิดตาเสียหน่อยโรคแบบนี้หาดูได้ไม่บ่อยนะักหลีหวันและเหวินโม่ขารับครับครับโจวเจี้ยนเ ย, ย่อุ้มลูกพลางแขนสันเท้าไม่หยุดเขาไม่มีท่าทีว่าจะจากไปสายตาจับจ้องไปที่หลีหวันเขมงเสี่ยวหวัน เหมือเตือนหลี่หวันเบาๆดูเหมือนโจเจี้ยนเย่ยจะมีเรื่องอยากจะพูดหลี่หวันไม่จําเป็นต้องให้ใครเตือนเธอมีหรือจะดูไม่ออกอืมลี่หวันตอบรับเสียงต่ําโดยไม่สนใจโจเจี้ยนเ ย, ย่เธอเดินออกไปข้างนอกชายคนนั้นรีบก้าตามมาทันทีเสี่ยหวันนี่ก็น้องชายแกนะเป็นน้องชายแท้ๆที่มีพ่อคนเดียวกันพ่อรู้ว่าแกต้องมีวิธีช่วยเขาได้ใช่ไหมพ่อรู้ว่าแกมีความสามารถโจเจี้ยนเย่เอ๋ยออกมาอย่างลังเล ตอนนี้พ่อมีความสามารถจำกัดเทียบไม่ได้กับแกและแม่ของแกที่ไปเสวยสุขอยู่ในตระกูลเจิง้งถ้าในมือแกพอจะมีเงินเหลือเฟือแล้วก็พอจะ้ะพ่อจะอะไรอย่าบอกนะว่าแกคิดจะมาของเงินฉันหรือหว่านไม่รอให้โจวเจี้ยนเยี่ยผู้จบเธอก็แค่นหัวราะย่อออกมาแกยังมีหน้ามาบอกว่าเป็นพ่อฉันอีกเหรอโจวเจี้ยนเยี่ยในตอนที่ฉันต้องการแกที่สุดแกไปอยู่ที่ไหนแกไม่เคยทำหน้าที่พ่อเลยสักนิดแล้วตอนนี้มีสิทธ์อะไรมาเรียกร้องให้ฉันทำหน้าที่พี่สาว น้องชายคนนี้ฉันไม่นับญาติด้วยขนาดแกเป็นพ่อฉันฉันยังไม่นับเลยเหวนโม่ชะนักฝีเท้าโจเจี้นเย่พยักหน้าซ้ำๆใช่เมื่อก่อนพ่อทําเรื่องโง่ๆไว้มากมายพ่อก็พยายามชดเชยให้พวกแกอย่างสุดความสามารถแล้วแต่พวกแกไม่เคยให้โอกาสพ่อเลยตอนที่พ่ออยากกับแม่แกพ่อก็แบ่งเงินให้พวกแกไปตั้งพันกว่าหยวนไม่ใช่หรือถ้าพอจะทําเรื่องเกินกว่าเหตุจริงๆทําไมพ่อไม่ทวงเงินนั่นคืนมาเสียเลยล่ะนี่ยังคิดจะทวงคืนอีกเหรอหลี่วันเหยียดยิ้มอย่างดูแคลนหน้าด้าน ตอนนี้พ่อถูกกดออกจากตาแหน่งในเขตทหารไม่มีทางหาเงินทางอื่นได้จริงๆเมื่อคนถูกบีบจนถึงทางตันเรื่องอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นโจวเจี้ยนเย่ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นเพียงแต่เขายังไม่อยากทำเรื่องให้มันเกินไปนักเสี่ยหวานถ้าแกไม่มีเงินแกช่วยไปพูด ก, กับศาสตราจารย์ของแกหน่อยได้ไหมค่าใช้จ่ายหลังจากนี้ถ้าเว้นได้ก็ให้เว้นไปเถอะไม่มีเงินแล้วยังจะมารักษาอีกเหรอ๋ิีหวานสวนกลับไปตรงๆง แกต้องเข้าใจนะว่าในโลกนี้ไม่มีของฟรีและโรงพยาบาลก็ไม่ใช่สถานที่ทําการกุศลแกต้องจ่ายเงินเขาถึงจะรักษาให้ถ้าไม่มีเงินก็รอความตายไปเถอะเมื่อพูดถึงตรงนี้หลีหวานก็กดเสียงให้ต่ําลงหลายส่วนเด็กคนนี้เกิดมาก็มีโรคติดตัวแกไม่ลองทบทวนดูบ้างเหรอว่าตัวเองทําเรื่องชั่วช้าวไวมากเกินไปหรือเปล่าผลกรรมันถึงได้ไปตกลงที่ตัวเด็กแบบนี้หลีวหวานแกอย่าพูดให้มันเกินไปนักนะโจเจี้นเย่ยแผดเสียงสูงขึ้นทันทีเสี่ยวหวาน เวินโมเห็นโจเจียนเย่โมหลและเกรงว่าเขาจะทำร้ายหลี่หว่านจึงรีพุ่งเข้าไปขวางกลางระหว่างทั้งคู่พวกเราไปกินข้าวที่โรงอาหารกันก่อนเถอะครับถ้าไปช้าจะไม่มีอะไรเหลือให้กินแล้วอืมหลี่หว่านไม่สนใจโจเจียนเย่อีกเธอใช้สายตาเตือนเขาว่าอย่าได้คิดตื้นต้นมิฉะนั้นผลที่ตามมาเขาจะรับผิดชอบไม่ไหวแน่โจเจียนเย่ไม่คาดคิดว่าวันหนึ่งตนเองจะถูกลูกสาวแท้ๆข่มขู่เขาเส้นเลือปดปุดโป่งที่หน้าผากพยายามอดกลั้นอย่างถึงที่สุด ตอนที่โจเจียนเ ย, ย่อุ้มลูกกลับถึงบ้านก็เป็นเวลาบ่ายแล้วเสียงร้องให้รากับแมวของลูกชายดังขึ้นหลายครั้งเขารู้ว่าเด็กหิวแล้วหลิวเคอเคอร์อรีบอุ้มเด็กมาจากอ้อกมมอของเขาพลางปลอบประโลมหมอว่ายังไงบ้างลูกชายเรามีทางช่วยไหมคุณรีบพูดสิจะให้ฉันขาดใจตายเลยหรือไงหนิวซูเฟินและคุณพ่อโจต่างก็รอฟังคําพูดของโจเจียนเ ย, ย่อย่างใจจดใจจอ่อมีทางช่วยโจเจียนเ ย, ย่ตอบด้วยน้ําเสียงเย็นชาขอบคุณสวรรค์ หนิวซูเฟินกุมหน้าอกพลางถอนหายใจยาวขอเพียงแค่เด็กมีทางช่วยก็พอแล้วแต่หลิวเคอเคอกลับฟังออกถึงความผิดปกติในคําพูดนั้นในเมื่อลูกมีทางช่วยทําไมเขาถึงดูไม่มีความสุขเลยคุณมีอะไรก็พูดมาตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมให้คนอื่นต้องมานั่งเดาให้เหนื่อยหรอกหลิวเคอเคอเริ่มร้อนใจหมอบอกว่าเด็กคนนี้ต่อให้รอดชีวิตไปได้ก็ต้องกินยาไปตลอดชีวิตไม่ใช่แค่เปลืองเงินแต่ยังต้องเปลืองแรงกายแรงใจพวกเราต้องเลี้ยงดูเขาให้ดี โจจีนเยีเยไม่ใช่ไม่อยากพูดแต่เขารู้สึกกระตุ่มใจจนไม่อยากจะเอ่ยถึงอะไรนะหมายความว่าหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วยังต้องกินยายอยู่ตลอดเลยเหรอลิวเคอเคอยากที่จะยอมรับได้เด็กที่เลี้ยงยากตั้งแต่เล็กขนาดนี้อนาคตคงไม่มีทางอายุยืนแน่มีโอกาสสูงที่คนผมขาวจะต้องไปส่งคนผมดำลิวเคอเคอมองลูกชายในอ้อมกอดด้วยน้ําตาหนองหน้าหรือว่าวาสนาแม่ลูกของพวกเขาจะสั้นเพียงเท่านี้แล้ววันหนึ่งต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่นิวซูเฟิรถามรายละเอียด ไม่รู้โจเจี้ยนเยี่สายหน้าในเมื่อหมอบอกว่าเลี้ยงยากมันก็ต้องเลี้ยงยากแน่นอนเวรกรรมจริงๆหนิวซูเฟินร้อนใจจนตกหน้าขาตัวเองฉัดใหญ่แล้วจะทำยังไงดีละทีนี้หรือว่าคุณพ่อโจเออย่างเชิงออกมาในเมื่อต้องมีคนรับบทคนเลวเขาก็ต้องเป็นคนทำยังไงพวกเขาสองคนก็ยังหนุ่มยังสาวเด็กคนนี้พวกเราก็อย่าเพิ่งเอาไว้เลยพูดไปแล้วมันก็คือโชคชะตาของเด็กคนนี้เองนั่นแหละอนาคตเดี๋ยวก็มีใหม่ได้ เด็กคนนี้ต้องพยายามมีชีวิตอยู่อย่างยากลําบากเขาก็คงจะทรมานเหมือนกันอนาคตต้องจมอยู่กับมอยาทุกวันคุณพูดแบบนี้ออกมาได้ยังไงนี่มาหลานชายคนโตของพวกเรานะฉันทําใจไม่ได้หรอกนิวซูเฟิร์นร้องให้โฮถ้าเป็นหลานสาวก็ว่าไปอย่างแต่เผอิญว่าเป็นหลานชายคนโตเธอตัดใจไม่ลงเสียเงินก็เสียไปจะเลี้ยงเด็กคนนี้ไปได้ถึงกี่ปีก็ต้องเลี้ยงไปในเมื่อมาเกิดในบ้านหลังนี้แล้วพวกเขาก็ต้องพยายามรักษาชีวิตเด็กไว้ให้ได้ส่วนอนาคตจะมีหลานชายที่สุขภาพแข็งแรงอีกหรือไม่นั่นมันเรื่องขอองววัันนนหห้าคาค่่่ยกใม